จิตนี้เที่ยวไปไกลดูรังขมังเอกจลังอสรีรังคูห้าสยังเยจิตตังสัญญะเมษสันติโมคันติมาระบันธนาจิตนี้เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาคือกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแข่งมาน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 คือการระวังมาให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นลากกิเลสที่เกิดแล้วให้สูญสิ้นไปเครื่องผูกแข่งมานั้นท่านหมายเอาวัตทุกข์ในภูมิทั้งสาคือกรมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิบุคคลสามารถพ้นจากวัตทุกข์นี้ได้ก็โดยการสํมโรมจิตพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารบพระสังขรักขิตมีเรื่องย่อดอังนี้เรื่องพระภากินายสังขรักิต สังครคิดผู้เป็นหลานพระศาสดาประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังคารคิดได้สมัยเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียงสองสาวันน้องชายของพระสังคารคิดนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งให้บวชในสำ น, นักของพระสังครคิดผู้เป็นลวงแม้พระนั้นก็ชื่อ สังครักขิตเหมือนกันจึงเรียกกันว่าภาคินัยสังครักขิตคือสังครักขิตผู้เป็นหลานเธอจํำภาษาที่วัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าวสิกส า, าดกคือผ้าจํานำภาษามาสองผืนผืนหนึ่งยาวเจ็ดศอกอีกผืนหนึ่งยาวแปดศอกเธอกําหนดไว้ในใจว่าจะถวายผืนที่ยาวแปดศอกนั้นแก่หลวงลวงุงจึงไปคอยพระเถระอยู่หน้าที่อยู่ของท่านเมื่อหลวงลุงมาก็ทําการท่อนรับรับบาด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 พระหลานชายน้อยใจว่าว่าโดยฐานะทางสายโลหิตก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสัตว์ทีวิหารคือสิทธิอุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาโดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นส ม, มณะอยู่ทําไมอีกเราควรสึกไปเป็นคลึกหักเธอคิดดังนี้แล้วได้คิดตอบไปว่าการครองเรือนตั้งตัวได้อยากควรจะทําอะไรกิน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 ล้อเวียนจะทับรูกเราโกรธพัญญาจับเอาด้ามปะตากตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้สังครคิดเอาด้ามพัดตีหัวลงลงพอดีเพราะเพลินไปว่าเป็นพัญญาตนพระเถระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กําหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอระหันต์จึงกล่าวว่าสังครคิดเธอตีมาดุคาไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเอาเราเล่า พระสังฆริชคิดว่าตายจริงพระอุชารู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นคระได้อย่างไรต่อไปเราจะศึกละดังนี้แล้วได้ ว, วางพัดใบตาลและออกวิ่งหนีภิกษุท์ทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามจับมาได้พาไปเฝ้าพระศัสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทํากรรมหนักอย่างนั้นทําไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึง่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเรา ควรมีความเพียรให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสมรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสทพทพว่าดูรังคมังเอกจรังเป็นอาทิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น จบพระธรรมเทศนาพระพากินายสังขรคิตได้บรรลุโสดาปติผล